คำกล่าวที่ว่าพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงรักษาอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสละทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรมอันนี้คือแนวคิดสําคัญที่พระพุทธศาสนาต้องการสอนเรื่องการเสียสละว่าการเสียสละนั้นเราสามารถบําเพ็ญได้อย่างน้อ ย, อยก็คือสี่ระดับด้วยกันหนึ่งสละง่ายๆที่สุดก็คือสละทรัพย์สองถ้าสละทรัพย์แล้วเนี่ย ต่อไปก็ต้องฝึกสละใ ห, ใ, หให้้สูงขึ้นก็คือลองฝึกสละอวัยวะดูสิเช่นไปบริจาคดวงตาทำได้ไหมเมื่อบริจาคดวงตาบริจาคแขนขาบริจาคหัวใจเป็นต้นได้แล้วเนี่ยลองฝึกอีกขั้นหนึ่งได้ไหมบริจาคชีวิตบริจาคชีวิตเนี่ยได้มาเป็นการบริจาคขั้นสูงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าธรรมะคือหลักการแห่งความเดีนงามถูกละเมิดเราต้องยินดีสละทรัพย์อวัยวะและชีวิตทุกอย่างเลย เพื่อที่จะพิทักรักษาไวา้ซึ่งธรรมะกรณีอย่างนี้เนี่ยท่านต้องการสอนให้เราเรียนรู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตของคนคนคนหนึ่งสูญเสียไปได้สังคมไม่กระเทือนแต่ถ้าสังคมนั้นสูญเสียธรรมะสังคมจะอยู่ไม่ได้เพราะสังคมที่ไม่มีธรรมะเป็นหลักประกันคนเดือดร้อนไม่ใช่คนคนเดียวแต่จะเป็นคนทั้งสังคมคนทั้งโลกคนทั้งประเทศก็ได้ท่านจึงบอกว่าถ้าทําอยู่คนส่วนใหญ่อยู่ได้แต่ถ้าทําสูญ คนส่วนใหญ่อยู่ไม่ได้ดังนั้นเวลาเกิดเหตุวิกฤตเช่นธรรมะหรือหลักการแห่งความดีงามถูกช้วงจาบทําร้ายทําลายปลอมแปลงครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนจึงยินดีสละทรัพย์เพื่อที่จึงยินดีสละชีวิตเพื่อที่จะรักษาธรรมเช่นพระสงฆ์ในสมัยพระเจ้าโสมหาราชยินดีนั่งแล้วก็ให้มาอาหมัดคนหนึ่งเอามีดจัดคอทีลองค์ทีลองค์ทีลองค์เพราะอะไรเพราะท่านต้องการรักษาธรรมะเอาไว้ในช่วงนั้นมีพระปลอมมาบวชเป็นจํานวนมาก และพระราชาอยากให้พระปลอมกับพระแท้ทําสังฆกรรมร่วมกันแต่พระแท้ท่านบอกว่าจะให้ทําสังฆกรรมร่วมกับพระปลอมทําไม่ได้ต่อให้ตายก็ไม่ทํานี่ยินดีสละชีวิตเพื่อรักษาความถูกต้องเอาไว้ในพอสอนั้นจึงมีพระจํานวนหนึ่งถูกมหาหมาัดเอาดาบตัดคอตายหลายคนท่านเหล่านั้นยินดีตายเพื่ออะไรพิทักษ์ไว้ซึ่งความถูกต้องและชอบธรรมนี่แหละท่านจึงบอกว่าต้องยินดีสละทัพย์ เพื่อรักษาวัยวะสละอวัยว ะ, ะ, วยวะเพื่อรักษาชีวิตสุดท้ายต้องสละทั้งทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อพิทักรักษาไว้ซึ่งธรรมเพราะถ้าทำอยู่สังคมอยู่แต่ถ้าทำศูนย์สังคมก็พังทลายนี่คือหัวใจของการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ในพุทธศาสนาถ้าเราจะเอาบทเรียนเรื่องความเสียสละอันใหญ่หลวงที่พูดไปเมื่อก่อนหน้านี้มาประยุกต์ใช้ในสังคมไทยอาตมาภาพคิดว่านํามาใช้ได้เป็นอย่างดี เช่นในยุคหนึ่งพลเอกเปรมตินันสุวรรณนนท์ได้รับการเชิญให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัยหนึ่งหลังจากที่ท่านเป็นมาแล้วหลายหลายสมัยแต่พลเอกเปรมบอกว่าผมพอแล้วการที่ท่านบอกว่าพอแล้วเนี่ยคือการที่ท่านยอมเสียสละตําแหน่งนายกรัฐมนตรีให้คนอื่นปรากฏว่าปีนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองสงบสุขและท่านก็กลายเป็นรัฐมนตรีของชาติมาจนทุกวันนี้ในาํานองเดียวกันอตาตม่พลาคิดว่า ถ้าผู้นำรัฐบาลของเรานะเวลานี้ เ, เสียสละความยึดติดถือมั่นในเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของตนประกาศเว้นวะขึ้นมาแน่นอนที่สุดสิ่งที่จะได้คือตัวผู้นำเองก็มีความสงบร่มเย็นในชีวิตสังคมไทยก็จะกลายเป็นสังคมแห่งสันติและสังคมแห่งส ม, มันลฉันเหมือนเดิมดังนั้นจะเห็นว่าความเสียสละเอามาใช้ในระดับชีวิตประจาวันก็ได้ ใช้ในทางการเมืองก็ได้ใช้ในระดับประเทศใช้ในระดับโลกก็ได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าเราจะตีความว่าเสียสละได้กว้างขวางหรือคับแคบมากน้อยขนาดไหนยังไงแต่หน้าเวลานี้อจะมาคิดว่าสังคมไทยจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบําเพ็ญทำข้อที่ว่าเสียสละนั่นคือใครก็ตามที่เคยโกงเคยกินเสียสละผลประโยชน์ที่คุณเคยโกงได้ไหมเอาผลประโยชน์เหล่านั้นไปเจือจานให้กับคนทั้งประเทศคนที่ยึดติดถือมั่นในอัตตามากๆเสียสละอัตตาทิ้งได้ไหม กลายมาเป็นคนเล็กคนน้อยคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนก็ได้คนที่ยึดติดในอนาจเสียสละอนาจทิ้งได้ไหมเพื่อที่ว่าสังคมจะได้สงบร่มเย็ยนเป็นสุกก็จะเห็นว่าคําสอนพื้นฐานที่เราได้ยินอยู่เป็นประจําคือเรื่องความเสียสละสามารถกรอบกู้สังคมไทยทั้งระบบก็ยังได้